เรื่องการสู้รบในกรุงราชครืหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคุรัตทำสงครามกับพวกเจ้าลิชวีแล้วพ่ายแพ้ภายหลังเท้าเธอทรงระดมพลยกไปรบจนได้ชัยชนะให้ตีกลองประกาศชัยชนะในสงครามว่าพระราชาทรงชนะพวกเจ้าลิชวีลำดับนั้นพระมหาโมคละณะเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินทรงพ่ายแพ้พวกเจ้าลิชวีแต่เขาตีกลองประกาศชัยชนะในการสงครามว่าพระาชาทรงชนะพวกเจ้าลิชวีภิกษุพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนนพระหมหาโมคลนะนกล่าวอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ครั้งแรกพระเจ้าแผ่นดินส่งพ่ายแพ้พวกเจ้าลิชวีภายหลังเท้าเธอทรงระดมพลยกไปรบจนได้ชัยชนะโมคะคณะกล่าวจริงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่58